จังหวัดสกลนครเป็นวัดหลวงปู่ฟัน่นจากนั้นท่านก็เลยมาจำมํำรรษาที่วัดหินหมักเป้งจังหวัดน้องคายท่านก็ามาจำภรษาได้มาตลอดจากนั้นท่านก็ได้มรณภาพโปงไปแต่ที่ยังไงก็จะเป็นฝีไม้ลายมือของหลวงปู่เทศที่ท่านไปสร้างทางปูเก็ตพังงากระบี่พวกเราเป็นลูกเป็นหลาน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 เน่ยละตรงเราตองเรามันระวังแล้ ว, วาการเป็นอยู่ของพระธรรมการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดวิธีการปฏิบัติยแล้ววิธีการนำเนินชีวิตหลวงพ่อก็ได้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพระลูกพระหลานผู้เข้ามาศึกษาผู้ทะอยู่ดา ร, รงสงสาต่อไปก็มีผู้ที่เข้ามาแล้วก็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 พระพุทธเจ้าท่านก็สอนในระดับนี้อีกแต่ถ้าว่าเขามาบวชอย่างเทีพวกเราเขามาบวชบาเพ็ญอยู่ในป่าตรงพงไผ่ท่านก็สอนอีกให้ภาวนาอย่างไรทำกับกิริยายอย่างไรเดินจงกบอย่างไรนั่งธรรมทิพภาวนาอย่างไรดูจิตใจของตอนเองอย่างไรอันนี้ท่านก็สอนแต่ถ้าเมื่อเราเป็นฆราวาดเราท่านก็สอน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 กาบไหว้ทิศทั้งหกนะลูกนะให้เคารพสั ก, กระกาบไหว้ทิศ ท, ทั้งหกถ้าหาว่าอ่อนน้อมทอมตนกาบไหว้เคารพคารวะทิศ ท, ทั้งหมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าหาว่าทําไม่ถูกนะมีปัญหานะลูกนะพ่อขอสั่งลูกเท่านี้แหละนะให้ลูกลูก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 ไม่น่าจะถูกนะสิงขาลมานพเธอทำอย่างนี้เธออยากจะรู้ไหมว่า เ, ออเธอได้ถามคำถามจากพ่อไม่ว่าทิศทั้งหกนันคืออะไรสิงขาลมานพปปตอบไม่ได้ไม่ได้ถามพระเจ้าค่ะเพราะข้ า, ขาพระ บ, ออบิดาของข้าพระองค์ป่วยอยู่ท่านกส็สั่งสั่งทานะี้ผมก็เข้าใจอย่างที่พ่อสั่งไม่น่าจะถูกนะออตาม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 เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรอาหารการบริโภคอย่างไรผลประโยชน์เราต้องแบ่งแบ่งปันให้กับลูกน้องบริวารอันนี้เรียกว่าทิศเบื้องต่ำบาบาในเมื่อเราดูดูแลเขาเขาก็ต้องดูดแลเราเนี่ยหละลูกน้องลูกน้องกับเจ้านายอันนี้เรียกว่าทิศเบื้องต่ำลูกน้องบริวารคือบบาวทิศเบื้องบนส ม, มณะพรามส ม, มณะพรามกันเี่ย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 เรเข้าไปไม่ใช่เข้าไ ป, ไ, า ไ, ปไปแข่งความรู้กับท่านไม่ใช่นะ เ, เข้าไปแล้วอ่อนน้อมถ่อมตอนถามถ่ยจำพรนษาพรามท่านก็จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละสิงขาละมานพขละวหกถ้าเธอทําอย่างนี้ได้มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสียหายเป็นอย่างอื่นในการรารงชีพของเธอของเธอ